ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องเทน้ำใจตอนที่สามคนจนที่รักโดยสมณทราบซึ้ ง, งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่22กรกฎาคม2545ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้นาบัตรนี้ค่ะ วันนี้เรามาเริ่มตอนสามกันนะเทน้ำใจตอนสามตอนคนจนที่รักท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามมีต้นไม้สายทานน้ำตกท้องทุ่งเขียวขจีเสียงนกขับขานเจยแจ้วบรรเลงประสานด้วยเสียงใบไม้แกว่งไกวตามสายลม ธรรมชาติได้มอบความสุขสดชื่นตานนี้เป็นของกำนานแด่โลก <c oughs> อันนี้เป็นบทนำของตอนคนจนที่รักนะก็ขึ้นต้นมาด้วยเรื่องของธรรมชาตินะความสวยสดงดงามความสดชื่นแจ่มใสต่างต่างตัวเราเล่ามีความดีงามอะไรบ้างที่จะฝากไว้บนถืนแผ่นดินนี้ ให้เป็นของกำนันแดม่มวลมนุษยาชาติทั้งหลายได้สุขใจงา <c oughs> นะที่ขึ้นต้นอารัมพบทไปก็เหมือนกับบทกรเหมือนกับบทกวีก่ปราปลานะที่ให้เห็นว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นความสวยสวยงดงดงามที่ประดับโลกคนเราก็อาศัยธรรมชาตินะได้ชื่นชมได้มีความสุขใจอยู่กับธรรมชาติ ตอนนี้ก็ย้อนถามตัวเราเองบ้างเหมือนกันว่าตัวเราเองเนี่ยมีคุณค่าอะไรบ้างที่มอบให้ไว้กับนะสิ่งมีชีวิตอื่นๆเรามีคุณค่าอะไรบ้างให้กับคนให้กับสัตว์หรือว่าให้กับโลกนี้นะลองลอ ง, ลองถามดูตัวเราเองถ้อยคำของกวีสามารถขายดีได้ในตลาดความประพฤติอันสูงส่ง ก็ให้เป็นกำนันกันได้นะนี่เป็นคําพูดของท่านเหลาจี้นะของศาสตร์ของเต่าเขานะก็พูดว่าถ้อยคําของกวีเนี่ยสามารถขายได้นะในตลาดก็หมายถึงว่าในท้องตลาดทั่วไปหรือว่าในผู้คนทั่วทวไปนะก็นิยมชมชื่นนะกรอนกวีหรือถ้อยคําแพร่ต่างๆ ก็เห็นว่าพวกศิลปินหรือว่าพวกเอ้พวกแต่งกรนี่เขาจะเรียกอะไรอ่ะกกวีละดู้ละตอนนี้มันมีเรียกอย่างอื่นอีกไหมที่เป็นอะไรคงไม่เรียกกวีกรน่ะนะนักประพันธ์มันก็เขียนเรื่องแต่งเรื่องอะไรต่างๆอันนี้อันนี้พวกเนี่ยนักกรนกวีเอาละนึกไม่ออก น่แต่ให้เห็นเลยว่ามันเป็นเครื่องจันลงใจคนได้อย่างหนึง่งนะไ ม, ม่แม้แต่เนี่หนังละครเพลงกวีการต่างๆก็เป็นเครื่องที่ช่วยบำรุงเลอใจคนได้ขนาดหนึง่งถ้าจะว่าไปมันก็เหมือนกับธรรมชาติอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้คนเราก็รู้สึกสนุกสนานบันเทิงหรือว่าพักผ่อนหย่อนใจได้เพียงแต่ว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ บางทีทำไปในแง่มุมที่มันเป็นโลกโลกมากเกินไปหรือไปยั่วย้อมมอมเมามากเกินไปจนกลายเป็นอบอายมุก ม, มันไม่อยากกลายเป็นสิ่งที่จันลงใจคาว่าจันลงเนี่ยหมายถึงว่าทำให้จิตใจคนเราเนี่ยมันดีขึ้นมันมันแช่มชื่นมันพัฒนาขึ้นแต่ <c oughs> ทุกวันนี้บางทีโอ้โหไม่ว่าหนังละครไม่ว่าเพลงการไม่ว่า นะบทประพันธ์กวีส่วนใหญ่โอโ้โหยั่วย้อมหมมเมาเนี่ยมากมากจนบางทีหาของดีๆของแท้ๆนะของที่ช่วยจันลวงใจเนี่ยแหมหายากเต็มทนนะพอท่านถึงได้แบ่งแบ่งเพลงเพลงแบบโลกโลกนะเพลงแบบแบบดีขึ้นมาหน่อยแบบกรลยาณชนันะ่ถถึงาแบบว่าเป็นเพลงระดับ อาริยชนหรื อ, รอเพลงแบบโลกุตละนั่นมัญหายากที่จะเป็นมีเพลงระดับโลกุตละแต่ยังไงถ้าตามใดเนี่ยยังมีคนดีมีคนรักธรรมชาติอย่างแท้จริงรักชีวิตสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้นะอย่างดีอย่างถูกต้องก็ยังจะมีกวีการที่แต่งหรือว่าประพันธ์ ให้คนเนี่ยได้บันเทิงใจด้วยแล้วก็มีความประทับใจในบทกรอนหรือสิ่งนั้นๆน่นะแล้วก็ทำให้จิตใจเนี่ยพัฒนาดีขึ้น <c oughs> ก็มีอยู่เพียงแต่อาจจะหายากหน่อยเท่านั้นเองเพราะนั้นคำของของท่านเหลาจื้อเนี่ยท่านก็พูดเนี่ยถ้อยคำของกวีสามารถขายดีได้ในตลาดความประพฤติอันสูงส่ง ให้เป็นกำนันกันได้หมายถึงว่าคนเราเนี่ยสามารถที่จะทำดีเนี่ยให้เป็นของขวัญทําดีให้เป็นของกำนันกันคือให้ฟรีๆเป็นของกำนันนี่หมายถึงว่าเป็นของที่ให้กันเลยไม่ไม่เป็นของที่ซื้อขายเราทำดีเนี่ยเราสามารถจะเสียสละเนี่ยเสียสละฟรีๆไม่จำเป็นจะต้องมาซื้อขาย อะไรให้ไปแล้วก็มีสิ่งตอบแทนหรือสิ่งแลกเปลี่ยนกลับมาออก็ไม่ต้องก็ได้ให้เป็นของกำนันเลยคงคงเข้าใจคำว่ากำนันนะกำนันก็คือให้นั่นเนองซึ่งคนที่จะให้ของกำนันได้เนี่ยต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่ไม่ไม่คิดว่าจะต้องเอารัดเอาเปียบไม่คิดว่าจะต้องมาค้ากำไรหรือไม่คิดว่าจะต้อง อะไรอ่ะมีราบยศสรรเสริญอะไรที่จะย้อนกลับมาหาตัวเองถึงจะให้ให้ความดีงามให้ความประเสริฐให้ความถูกต้องเนี่ยให้กับคนอื่นได้ฟรีๆโดยที่ไม่ต้องมีบุญค่าหรือแม้แต่บางทีให้คนอื่นไปคนอื่นก็ อ, อาจจะไม่ถูกใจบ้างหรืออาจจะไม่ชอบใจบ้างหรือรู้สึก ไม่พอใจอาจจะ <c oughs> พูดอย่างนี้ยังไงทำอย่างนี้ยังไงเขาอาจจะไม่ค่อยถูกใจเขานักก็ได้แต่ก็ยังเป็นความดีที่บางทีมันก็ต้องให้เพียงแต่ถ้าเป็นศิลปินหรือว่าเป็นยอดศิลปินเก่งก็สามารถที่จะให้เขาได้โดยที่เขารับได้แต่ถ้าไม่เก่งเนีย่ยบางทีเราก็อยากเอาสิ่งดีๆให้เขาเนี่ยแหละแต่ให้ไปแล้วเขารับไม่ได้ อันนี้อย่าไปว่าคนรับพยายามว่าผู้ให้พยายามว่าตัวเราเองที่เราเนี่ยทำไมไม่เก่งกว่านี้นะเราถึงให้ไปแล้วเนี่ยทำไมเขาถึงรับไม่ได้จะเป็นคำพูดก็ตามจะเป็นลีลาท่าทางของเราก็ตามอันนี้ต้องพยายามพยายามว่าที่ตัวเราเราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเราเหมือนเหมือนเมื่อตอนที่สองอะ่ะที่พูดถึง นั้นเราจะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเราแล้วเราก็จะได้พัฒนาตัวเราเนี่ยให้ให้ยิ่งดีขึ้นเพราะฉะนั้นท่านในาศาสนาพุทธจะเห็นไหมระดับว่าถือศีลปฏิบัติธรรมไปจนได้ถึงขั้นอนาคามีหรือได้ถึงขั้นเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามไม่จบยังไม่จบนะสามารถจะเลื่อนขึ้นไปได้อีกไปเป็นพระโพธิสัตว์ไปเป็นพระ เจกับผู้เจ้าเจ้าไปเป็นผู้เจ้าเจ้าอะไรก็แล้วแต่โอ้ยังสามารถมีฐานเลื่อนขึ้นไปได้อีกซึ่งจะให้เห็นเลยว่ายังพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเพราะฉ น, น, นั้นไม่ใช่ว่าพอเราทําดีถึงขั้นเป็นพระอารหันต์แล้ววุ่นจบแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้แล้วนะก็บัลลังกนี้พานไปเลยศูนย์ไม่ต้องมาเกิดอะไรอีกอันนั้นน่ะแสดงว่าเป็นคนเข้าใจแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นเอง ให้เห็นว่าความรู้ความสามารถระดับพระอรหันต์เนี่ยสั่งสอนบุคคลหรือทําให้คนอื่นเข้าใจแล้วก็เกื้อกูลคนขึ้นมาเนี่ยก็ได้ขนาดหนึ่งเท่านั้นเองความสามารถมีขนาดหนึ่งแต่ถ้าเราจะช่วยคนทั้งโลกหรือว่าโอ้โหจะช่วยสร้างศาสนาขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยจะสร้างศาสนาพุทธขึ้นมาเนี่ยระดับพระพุทธเจ้า ถึงจะเป็นผู้สร้างาศาสนาพุทธขึ้นมาระดับอย่างพระอาหารหันยังเป็นสาวกยังไม่ใช่าศาสดายังไม่ใช่ผู้ที่จะมีอะไรอะมหากาุณาทีม่มหาเมตตาที่จะยิ่งใหญ่ขนาดมีกีดความสามารถที่จะโอ้โหช่วยคนในโลกนี้ได้อีกมากมายไกลกอง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ย เนี่ยคือความแตกต่างพวันความดีนะยังยังไม่มีที่สิ้นสุด <c oughs> แม้แต่ระดับพระพุทธเจ้าไม่รู้ว่าเราเคยได้ยินมากไหมเราเรารู้อยู่แล้วว่าสูงที่สุดสิ้นสุดของศาสนาพุทธเราถือว่าอยู่ที่พระพุทธเจ้าถูกไหมถือว่าที่สุดแล้ว แต่ในความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยนะสิ่งที่ไม่เท่ากันอยู่ตรงที่เรียกว่าเนี่ยแหละความสามารถที่จะช่วยคนความสามารถที่จะสอนคนความสามารถที่จะพาคนพาให้คนพ้นทุกความสามารถที่จะช่วยโลกนี้เอาไว้ให้ได้มากที่สุดหรือว่าดีที่สุดได้เนี่ยยังไม่เท่ากันเลยนะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์อย่านึกว่า เท่ากันเท่ากันในเรื่องหมดกิเลสแล้วก็ใช่ในเรื่องหมดกิเลสนะเท่ากันในเรื่องส่วนตัวของท่านเท่ากันแต่ในเรื่องที่จะเกื้อกูลสรรพสัตว์ในโลกนี้ไม่เท่ากันความสามารถยังจะแตกต่างกันออกไปอีกระดับพระเจ้าแล้วยัยงไม่ไม่สิ้นสุดเลยเห็นไหมยังมีความแตกต่างเลยคิดดูอ่าก็เป็นเรื่องเนี่ย จะต้องศึกษาจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะช่วยเหลือคนศึกษาไม่จบศึกษาไม่จบทาไมถึงศึกษาคนไม่จบเพราะเดี๋ยวคนมันตายแล้วก็เกิดคนมันตายแล้วก็เกิดคนมันไม่มีวันจบอ่ะถูกกปบ่าเมื่อคนมันไม่มีวันจบเนี่ยถ้าเราเนี่ยคอยตามศึกษาคนเราจะจบั้ม เขาไม่จบหรอกเพราะคนมันไม่มีวันจบกิเลสมันไม่มีวันสิ้นสุดเลยกิเลสมันไม่มีที่สิ้นสุดเราไปศึกษาในสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดเราจะสุดได้ไหมสุดไม่ได้มันไม่มีที่ให้สุดนะคนยุคนี้นะกิเลกก็แบบนี้อ่าเดี๋ยวท่านก็พยายามจะสอนพยายามจะอะไรเดี๋ยวกิเลมันก็เพิ่มอีกอไอ้คนถ้ามันแย่ลงกิเลมันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมาอ่าเดี๋ยวก็มีแง่มุมใหม่ๆมีไอ้นู่นมีไอ้นี่มา e. อีก สมัยก่อนมันมีคอมพิวเตอร์ซะเมื่อไหร่สมัยนี้มีคอมพิวเตอร์โอ้โหกิเลสมันหนากว่าแต่ก่อนอีกตั้งเยอะเนี่ยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าท่านถ้าท่านมาในยุคนี้ท่านก็ต้องมาศึกษาคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะว่าจะทํำยังไงที่จะทําให้คนเดียวเนี่ยมันแหมมันยอมเลิกทิ้งความชั่วแล้วก็มาทําดีแล้วเผลอๆท่านก็อาจจะใช้คอมพิวเตอร์นย่แหละ เป็นเครื่องมือที่จะสอนคนให้คนเนี่ยแหละดีขึ้นมาให้ได้นี่จึงบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีที่สิ้นสุดวันแม้พระพุทธเจ้าเองเนี่ยถ้าท่านไม่ยอมจบ <c oughs> ท่านไม่จบก็ได้ท่านจะเอาอีก <c oughs> ท่านก็มาเกิดอีกแลท่านก็จะทำงานต่ออีกอันนี้แล้วแต่แล้วแต่ท่านเองแต่ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ถึงระดับพระพุทธเจ้าแล้วที่มาสร้างศาสนาเนี่ยมักจะจบ เพราะว่าอะไรอะ่ะมันถึงที่สุดแล้วสำหรับท่านเองท่านถือว่าถึงที่สุดของท่านแล้วท่านก็มั ก, ก, มมกจะจบจบนี่จบตัวเองจบตัวเองนะ่าแต่คนไม่จบหรอกพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่มีที่สุดหรอกคนเราเนี่ยไม่มีที่สุดหาที่สุดไม่ได้คนเราในโลกนี้หาที่สุดไม่ได้วันเพราะท่านรู้อย่างนี้แหละในที่สุดท่านก็ จบที่ตัวเองสุดที่ตัวเองจบไม่กลับมาเกิดอีกอ่ะก็ปล่อยเลยแล้วเดี๋ยวพระโพ ธ, ธิสัตว์อื่นที่ท่านก็บำเพ็ญเพียรจะมาช่วยเหลือคนในโลกนี้นะสัตว์ในโลกนี้เดี๋ยวท่านก็บำเพ็ญมาแล้วก็ท่านก็มาช่วยต่อไปเองกันได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้อยากอยากจะให้ได้แง่คิดในเรื่องว่า ขนาดระดับพุทะเจ้าคิดดูและไออย่างพวกเรานี่แหละพูดง่ายอย่างพวกเรานี่แหละบางคนเนี่ยหยุดนิ่งแล้วนะไม่ยอมที่จะพัฒนาแล้วนะไม่ยอมที่จะอะไรอ่ะขวนขวายตัวเองโธ่เอ้ยแล้วมันจะไปรอดเหรอเพราะฉะนั้นเนี่ยลองลองคิดดูดีๆถ้าเราคิดได้แบบนี้เราก็จะเห็นเลยว่าเออเราต้องพยายาม พฤติกรรมของเรากายกรรมบัจีกรรมมโนกรรมพยายามพัฒนาให้ให้สูงขึ้นถ้าเรายิ่งพัฒนาเราได้สูงขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลหรือเนี่ยแหละให้เป็นของกำนันให้กับสรรพสัตว์หรือว่าทั้งคนทั้งสัตว์ในโลกเนี้ยเราจะยิ่งให้กำนันแดโลกนี้ได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นตามขีดความสามารถของเรา คนกิเลสหนามากก็เอาเปรียบโลกนี้มากไม่มีให้โลกนี้มีแต่จะเอาลูกเดียวแต่พอเราลดกิเลสลงไปได้นะเริ่มเป็นกัลยาณชนขึ้มาระดับหนึ่งดีขึ้นมาขนาดหนึ่งก็เริ่มเริ่มจะให้บางแล้วยิ่งพอเป็นอริยชนขึ้นมาก็ยิ่งให้มากขึ้นแล้วก้อนี้แต่ก่อนลองลองเปรียบเทียบชีวิตเราจริงๆ แต่ก่อนเนี่ยได้เงินมาบางทีเก็บหมดหรือว่าไปทำงานก็อยากได้เงินเดือนเยอะๆมากๆไปทำอะไรก็แหมยิ่งถ้าได้ลาบได้ยศได้อะไรก็ยิ่งเอาอย่างเลยแต่เห็นไหมพอเรามาศึกษาธรรมะมากขึ้นเรามาถือศีลปฏิบัติทำเข้าหลายอย่างหลายสิ่งที่เราเริ่มเริ่มลดลงแล้วบางทีอ่างเงินเดือนแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นหรือว่าเงินเดือนอาจจะ โดนลดลงบ้างเราก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรยอมได้ด้วยเออกล้าเสียเปรียบก็ได้ด้วยแต่ก่อนบางทีไม่เคยคิดทาบุญทาทานเลยในชีวิตเดี๋ยวนี้เออปฏิบัติธรรมแลเออแหมรู้จักใส่บาตรพระบ้างหรือบางทีก็เอออให้เงินช่วยคนนั้นคนนี้บ้างไม่อย่างนั้นล้วขี้เหนียวบางทีไม่ยอมเลยเห็นไหมว่าว่าพอเราเริ่มถือศีลแล้วเนี่ย เราเริ่มมีจิตใจที่ดีขึ้นเรากล้าจะเสีสละได้มากขึ้นและนี่แหละจะเป็นของกำนันแก่โลกเพราะฉะนั้นยิ่งใครเนี่ยโอ้โหปฏิบัติจิตใจตัวเองได้สูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, นก็ยิ่งมีของที่กํานันแก่โลกเนี่ยได้มากขึ้นน้ำบรรดาผลงานต่างๆบนพื้นพิ พ, พ, พิภันี้ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพรูปปั้นหนังสือดนตรีภาพยนตร์ละคร อะไรก็ตามที่เป็นสื่อแสดงออกแห่งความดีงามเพื่อความสุขสงบอันดีแก่สังคมชาวโลกก็นับว่ามีคุณค่าล้าเลิศมีราคาสูงส่งได้แล้วมันจะให้เห็นเลยที่พูดเนี่ยบางทีเราฟังฟังมามันค่อนข้างเป็นพวกศิลปะซะมากแต่จริงๆเนี่ยมันยิ่งกว่านี้อันนี้เป็นหนังละครเพลงรูปปั้นอะไรต่ออะไรหนังสือทั้งหาอะไรอันนั้น่ะ บางทีเนี่ยยังมีจำนวนน้อยเท่านั้ น, นสิ่งที่มากกว่านี้เนี่ยน่าจะเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้ามีอาชีพอะไรจริงๆแล้วล้วนเป็นศิลปะทั้งนั้นต่อให้เป็นคนขายผักผลไม้ก็ต้องมีศิลปะใช่ไหมเออจะทำให้สะอาดยังไงเออให้น่ากินยังไง ให้คนกินแล้วปลอดภัยยังไงไม่ต้องไปมีสารพิษอะไรแม้แต่ชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ปลูกผกักผลไม้อะไรต่างๆนะก็ต้องเป็นศิล ป, ปินหรือว่าเป็นคนที่สร้างสารรค์ผลงานไว้ในโลกนี้หรือแม้แต่ครูอ่วาอาชีพครูเี้สอนนักเรียนนักเรียนก็เป็นผลงานของครูที่ครูจะอบรมสั่งสอนยังไง ที่จะทำให้เออลูกศิษย์เนี่ยมีจิตใจที่ดีนั่น น, นก็เป็นผลงานแต่เป็นผลงานที่มีชีวิตแล้วก็เดินได้เพราะฉะนั้นใครก็ตามเนี่ยจะมีอาชีพอะไรก็ตามหมายถึงอาชีพในทางที่ดีเนี่ยนะแล้วก็สามารถที่จะทาดีได้นั่นแหละคนนั้นแหละกำลังให้คุณค่ากับโลกนี้ให้โลกเนี่ยได้ พบกับความสุขแล้วก็ความสงบเย็นขึ้นมาได้ยิ่งถ้าเป็นผลงานที่ผู้นั้นลงมือกับทำดีได้จริงเิด ผ, ผลด้วยตัวของตัวเองจริงๆโดยไม่ใช่แค่ผลงานปากเปล่าหรือเป็นเพียงจินตนาการเพ้อฝันผลงานนั้นก็จะยิ่งมีคุณค่าสูงส่งในตัวเองเกินกว่าจะซื้อขายกันได้มีแต่จะต้องกำนันให้แก่กันด้วยราคาน้ำใจเท่านั้น นะไม่มีอย่างอื่นหรอกถ้าเป็นคนดียิ่งถ้าเราศึกษาในาศาสนาพุทธที่แบบว่าทำดีแล้วอย่าหวังผลตอบแทนยิ่งเอาเงินทองเอาอะไรมาตีค่าราคาไม่ได้เพรานะฉะนั้นน่การทำดีเนี่ยการเสียสละการบริจาคการให้ทานการอะไรต่างๆสำหรับคนที่มาทำดีแล้วส่วนใหญ่เลยจะไม่แลกเปลี่ยนซื้อขายหรือว่า เอาเข้าของอื่นมาแลกเปลี่ยนตอบแทนเพราะอะไรเพราะให้ด้วยน้ำใจให้ด้วยใจที่อยากจะให้เป็นของกำนันอ่าให้ด้วยความยินดีด้วยให้ด้วยความพอใจด้วยเพราะนั้นต้องคนถึงถึงคนที่เสยสละคนที่เข้าใจบุญกุศลจริงๆถึงจะกล้าทำได้วันใครเนี่ยที่จิตใจยังไม่ดีพอแล้วใจไม่ถึงระมายืนยันได้เลยว่า ที่เสียสละไปเนี่ยหวังผลตอบแทนทั้งนั้นจะตอบแทนแบบชนิดมากๆ ก, ก็ตามหรือจะตอบแทนชนิดน้อยนก็ตามหวังผลตอบแทนอย่างเช่นนะอา น, นิยตมายกตัวอย่างบ่อยอย่างเช่นบางทีเราเดินไปเจอใครซึ่งเราพอรู้จักใช่ไหมแล้วเราก็ปฏิสัมพานธ์แล้วก็ทักทาย แต่พอเราปฏิสันถา์ไปปั๊บเขาไม่ทักทายเราตอบก็อาจจะเฉยๆคนที่ปฏิสันธา์ก่อนบางทีเริ่มรู้สึกไม่ชอบใจอ่ะไม่พอใจว่าเอ๊ะเราทักทายไปทําไมเขาไ ม, ไม่ไม่ไม่ทักตอบมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะเห็นเลยว่าเนี่ยเนี่ยหวังผลตอบแทนแล้วนะทักทายใครเนี่ยหวังผลตอบแทนว่าถ้าเราทักใครคนจะต้องทักตอบอ่า ก็ถ้าเราให้จริงๆอะ่ะเราจะเป็นผู้ให้ล่ะเราไม่คิดว่าเราต้องเป็นผู้เอาอะไรจากใครครับเราทักทายใครไปถ้าก็ไม่ทักตอบเออก็ก็เรื่องของเขามือเขาหนักมือเขายกไม่ขึ้นก็เรื่องของเขาฮะอา้อาวอา่ะนั่นนั่นก็ยังหวังผลตอบแทนว่าทําบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็คงยอมเอง <laughs> นั่นก็ยังหวังอยู่เพียงแต่ว่าอาตมาเมื่อวานนี้ก็บอกว่า อ่าสามครั้งสามครั้งเดี๋ยวเขาคงทําตอบหรือห้าครั้งหรือสิบครั้งเดี๋ยวคงต้องทําตอบอันนี้ก็ยังหวังอยู่นะเดี๋ยวถ้าไปถึงกําหนดนะสิบครั้งแล้วเขาไม่ทําตอบอาจจะทุกข์ก็ได้นะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวังเลยอทําทำมาโดนล่ยิงหนักข้อใหญ่เพราะฉะนั้นอันเนี้นะคือประเด็นสําคัญว่าว่าจริงไหมเราบอกว่าเราช่วยเหลือเขาเนี่ย เรามีน้ำใจจริงหรือเปล่าบริสุทธิ์มากพอไหมถ้าใครเนี่ยไม่ฝึกฝนนะแล้วไม่พยายามเรียนรู้จิตตัวเองใจตัวเองให้ดีเราจมาบอกได้เลยคนในโลกเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยทําดีอะไรไปหวังผลตอบแทนทั้งนั้นแหละ <c oughs> หวังทั้งนั้นแหละทุกคนเนี่ยถ้าไม่พยายามรู้ตัวแล้วไม่ไม่พยายามที่จะจับอารมณ์จิตของตัวเองให้ได้รู้เท่าทันให้ให้ได้เนี่ยนะ หวังเท่านั้นแหละยากมากๆเลยนะที่คนที่จะทําไปแล้วเนี่ยสามารถจะทําใจแบบไม่หวังผลตอบแทนเลยหายากมันต้องฝึกฝนจริงๆถ้าไม่ฝึกจริงแล้วก็ไม่สําเร็จมันคนที่ผู้ที่จะไม่หวังผลตอบแทนจริงๆเลยนี่นู่นเลยต้องไปนูน่นแหละพระอนาคามีหรือพระอรหันต์นู่น ที่สุดแล้วต้องเป็นพระอรหันต์เลยถึงจะแบบว่าไม่หวังอะไรตอบแทนเลยจริงๆทำดีไปแล้วเขายังจะบางค่าเราตายก็ไม่โกรธไม่เกลีย ด, ไ ม, ดไม่น้อยใจไม่เสียใจไม่ท้อแท้ทอถอยอะไรด้วยเป็นอย่างนั้นเลยถ้าระดับพระอรหันต์ท่านไม่มาทุกข์อะไรอีกแล้วนั่นแหละถึงจะถือว่าเป็นผู้ที่ไม่หวังผลตอบแทนจริงๆแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ย ดูสิเราไม่ต้องแหมพูดไปไกลอะ่ะยังยังที่บอกอะ่ะแค่ทักทายกันแค่เรายิ้มให้เขาเขาไม่ยิ้มตอบเ ร, เ, อ <c oughs> เราก็เริ่มเอาละแค่เนี้ยเราก็เริ่มรู้สึกไม่ชอบใจนะคิดดูเอาเนี่ยแค่เนี้ยแค่เนี้ยเรายังหวังผลตอบแทนขนาดไหนอะ่ะใช่ไหมยิ้มให้เขาแล้ว เ, เ, เขาไม่ยิ้มตอบโอ้เพราะฉะนั้นเนะี่ยจับให้ทันคราวนี้นะเราทําดีอะไรไปแล้วจับให้ทันเลย พ อ, พอจับทันปับ๊บโอ้โหเอาจะเราหวังผลตอบแทนแบบนี้อีกแล้วเนี่ยป็ออาจขัดเคืองไม่ชอบใจคิดเลยบางคนยิ่งคิดทันทีเลยนะพอรู้สึกทักเข้าไปแล้วเขายิ้มให้เขาแล้วเขาไม่ยิ้มตอบกลับคืนมาเนี่ยขาหน้าไม่ยิ้มให้ละข้าหน่าไม่ยิ้มให้ละมาทันทีเลยนะโอ้เข้ามาในสมองทันทีเนะออหรือบางคนเนี่ยเราเจอเสร็จเราคุยด้วยปรากฏว่าเขาทาเฉยๆ เ, เขาไม่คุยด้วยกับเรา อ่าทันทีเลยใช่ไหมเดี๋ยวคา น, น้าไม่พูดโดยไรคนเนี้ยเนี่ยมันไวมากเลยนะจิตคนเราถึงบอกจับให้ทันเลยพอเราจับได้ทันปั๊บวันหลังเนี่ยเราจะทําดีให้กับใครไปเนี่ยมันจะมีคอยเตือนคอยเตือนว่าเอ้ยอย่าไปหวังนะอย่าไปหังผลตอบแทนนะอันนี้แหละแล้วมันจะช่วยทําให้คราวนี้คุณทําดีแล้วคุณจะสบายใจว่าคุณเป็นคนให้เขาคุณไม่คิดจะเอาอะไรจากเขา ต่อให้ให้เข้าไปแล้วเนี่ยเขาเอาของที่เราให้ไปแล้วเนี่ยนะไปต้มยำทําแกงอะไรอลุยชุยเฉกยยังไงคุณจะไม่มาทุกในสิ่งที่คุณให้เขาไปแล้วคุณจะไม่มาทุกอีกเลยบางคนเนี่ยก็บอกว่าคิดว่าให้เขาไปขาดแล้วนะคือคือไม่หวังอะไรตอบแทนวันหลังไปเห็นไอ้ของที่เราให้เขาเนี่ยโอ้โหเขาเอาไปทํา ไม่คอยถูกต้องอะ่ะเอาไปทําแบบชนิดแม้ไม่มีค่าไม่มีราคาเลยเลยนะไปเห็นยังขึ้นได้เลยฟังคนยังขึ้นได้เลยคิดดูเอาบอกอะไรบางทีให้เขาไปปีสองปีสามปีสี่ปีแล้วนะคุณคิดดูเนี่ยมันยังฝังอยู่ในหัวเนี่ยฝังไอ้ไอ้ความที่ที่ยังหวังผลตอบแทนอยู่ว่าเขาได้อจากเราไปแล้วเนี่ยเขาน่าจะไปใช้ให้ดีๆมันหน้าจะเอาไปทําให้มันดีๆกูยังฝังอยู่เลย พอวันหลังกุณไปเจอโหเขาทิ้งเอาไว้จนสนิมขึ้นหรือว่าโหเอาไปหมกไว้ชนิดที่ว่าไม่มีคุณค่าไ ม, ม่ประโยชน์เลยไปเห็นบางคนเนน้อยใจบแบบแหมดูสิเราสาให้วันนั้นเนี่ยเอาของเรามาหมกหมกจนกระทั่งใช้การอะไรแทบจะไม่ได้แล้วน้อยใจบางคนน้อยอยู่ในใจวันนี้เนี่ยเนี่ ย, น, ยนี่ก็คือหวังผลตอบแทนอยู่นะยังยึดเป็นเจ้าเก่เจ้าของอยู่เลยโอ้โห ให้เข้ามาจะไม่รู้ตั้งกี่ปีตั้กี่ปีแล้วอ่ะอตาตมาถึงบอกตามทันหรือเปล่าคุณตามทันไหมเท่า น, นั้นเองยิ่งคราวนี้ถ้าพูดถึงเรื่องตัวตนบุคคลความยึดเป็นจเจ้าเจ้าของเนี่ยพ่อแม่ยึดลูกพี่ยึดน้องอ่าลูกก็ยึดพ่อแม่อะไรต่ออะไรโอ้โหมันหนักยิ่งกว่าข้าวของนะคุณยึดคนเนี่ยมันหนักยิ่งกว่ายึดของแล้ว คุณนึกดูนะยึดคนนี่หนักกว่ายึดของใช่ไหมขนาดยึดของเนี่ยคุณยังหวังผลตอบแทนขนาดไหนคุณคิดดูแล้วถ้าคุณยึดคนเนี่ยมันหนักยิ่งกว่าสิ่งของเองนะเสร็จแล้วกไอ้สิ่งของเนี่ยนะบันทีเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีผลอะไรกับคุณมากหรอกหมายถึงว่ามันพูดกับเราก็ไม่ได้มันเถียงเราก็ไม่ได้นะมันยังมีผลที่ทําให้เราโกรธ เพราอน้อยใจอะไรเนี่ยยังมีโอกาสได้น้อยนะกับวัตถุเข้าของแต่ถ้าคุณยึดคนนี่นะคนมันพูดได้มันเถียงได้มันดาได้วันอะไรได้ตั้งเยอะตั้งแยะแนะ่คนเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงมันแปรปรวนง่ายเหลือเกินคนวันใครยิ่งไปยึดคนคนนั้นยิ่งมีโอกาสทุกมากมายกายกองมหาศาลใครที่ยิ่งไปยึดคน ขนาดยึดในแง่มุมที่ดีนะบางทียังทุกได้เลยคุณคิดดูเอา <c oughs> อยัางเอ า, อา ง, ง่ายๆแต่ก่อนเนี้ยอาตมาก็เอาเอาเอาเนี้เอาเรื่องยกตัวอย่างดีงก่าที่พ่อท่านก็เคยพูดให้พวกเราฟังอย่างเช่นคนที่เป็นปัจฉาสมณะของพ่อท่านใช่ไหมจะมีอ่ะจะมีอย่างน้อยๆก็หนึ่งรูปอา่า หรือบางทีก็สองรูปแล้วแต่ปรากฏว่าบางทีเนี่ยปัจฉาสมถะ ก, ก็ยึดพ่อท่านกับเขาโลกศรัทธาเลยแต่นะก็ยึดว่าพ่อท่านต้องดีอย่างนั้นต้องดีอย่างนี้ก็ต้องมีอะไรอ่ะอิทธิยาบท ม, มีการทําตัวก็จะต้องดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ยึดดีนะแต่ปรากฏว่าบางทีพ่อท่านก็ทําแบบประเภท ทำให้ปัจฉาธรรมนะหงุดหงิดอย่างเช่นเออเคยมีย ก, ยกไว้ไอ้ไอ้เขานังไงเป็นที่หงุดหงิดของเริ่มเป็นที่หงุดหงิดของปัจชาละเอ๊ะทำไมทำอย่างนี้เอ๊ะทำไมทำอย่างนี้